เจริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญผู้มีจิตศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่27พฤศจิกายูพุทธศักราช2545หตรงกับวันพุธแรมแปดค่ำเดือนส2สอง 8, 5, 12, เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรระ เป็นวันฟังธรรมการที่ญาติโยมได้มาประกอบภารกิจทางาศาสนาะเกียตินั้นเป็นประจำอย่างต่อเ น, นื่องเป็นกนการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนพ่าเวลาที่มาทําบนที่วัดก็จะได้คัามเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่า เป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระบาลีที่ตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตังมังกรลมุตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลก็คือความผาสุขความเจริญรุ่งเรืองความสงบของจิตใจ <c oughs> นั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆคน ปรารถนากันไม่มีใครต้องการความทุกข์ความเสื่อมเสียไม่มีใครต้องการความเ <c oughs> <c oughs> ดือดเนื้อร้อนใจแต่สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุทางด้านดีคือความเป็นมงคลก็ตามหรือเหตุในทางด้านไม่ดีคือความอัปมงคลความเสื่อมเสียทั้งหลาย นั่นก็เกิดจากเหตุด้วยกันทั้งสิ้นถ้าเรามีเหตุที่ดีพาไปเราก็จะนํามาเส่งมสิ่งที่ดีถ้าเรามีเหตุที่ไม่ดีตามพาไปเราก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีตามตามมาดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างเหตุที่ดีไว้อย่างสม่ำเสมออย่างการมาฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันพระ หรือทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือมากกว่า น, นั้นก็ได้ถ้าเรามีเวลาว่าเราเราฟังเทศฟังธรรมกันเราจะได้รับประโยชน์เพราะอานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมนั้นจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับจิตใจของเราเพราะจะเป็นเป็นผู้นำนาพาจิตใจของเราให้กระทาการที่ทาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามถ้าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะทําในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เราปรารถนา คือไปทําในสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใจของเราเราจึงต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นเครื่องนำพาไปเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วความคิดอออกกของเราก็จะถูกต้องการพูดการกระทําของเราก็จะถูกต้องความที่ถูกต้องนี้ก็หมายถึงว่าถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงที่ เกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ของเราความทุกข์ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งความสุขก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งทั้งสองนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจและการกระทำที่จะทำให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขก็ขึ้นอยู่กับความเห็นที่จะเป็นผู้สั่งให้มีความคิดแล้วก็มีการกระทาทางวาจาและทางกาย ตามมาต่อไปดังนั้นความเห็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเห็นผิดก็จะทำให้คิดผิดพูดผิดกระทำผิดเห็นถูกก็ทำให้คิดถูกพูดถูกและกระทำถูกเราจึงต้องแสวงหาความเห็นที่ถูกต้องและไม่มีใครที่จะสามารถให้ความเห็นที่ถูกต้องได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้า กับพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพราะท่านเหล่านี้นั้นเป็นผู้บรรลุธรรมท่านได้ปฏิบัติได้ศึกษาเกี่ยวกับความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งที่เป็นส่วนที่เห็นได้สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและสิ่งที่ไม่สามารถที่เห็นได้สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย แต่จะต้องสัมผัสได้ด้วยใจคือความคิดที่คิดไปตามเหตุตามผลที่เรียกว่าปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถเห็นได้หรือเข้าใจได้ <c oughs> ของในโลกนี้มีส่วนที่เราทุกคนเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือได้ยินด้วยหูหรือสัมผัสได้ด้วยลิ้นหรือนมได้ด้วยกลิ่นหรือสัมผัสได้ด้วยร่างกายของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพอที่จะรู้พอที่จะเข้าใจกันได้เพราะมีผู้ที่รู้เรื่องเหล่านี้มากตั้งแต่บิดามารดาเราก็รู้เรื่องเหล่านี้พอเราเกิดมาพ่อแม่ของเราก็จะสอนเราในเรื่องต่างๆที่เราเห็นได้ยินได้นมได้ลิ้มรสได้ได้สัมผัสทางกายว่า สิ่งไหนเป็นคุณและสิ่งไหนเป็นโทษแต่นอกจากสิ่งที่เราเห็นได้สัมผัสได้ด้วยอยายตนะทั้งห้านี่คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วยังมีสิ่งที่ละเอียดไปกว่านั้นที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยอยายตนะทั้งห้าก็คือนามธรรมทั้งหลายนามธรรมนั่นก็มีบางส่วนที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน สามารถที่จะเข้าถึงได้เข้าใจได้เช่นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างความรู้เกี่ยวกับกระแสะแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้สามารถทาให้เราสามารถผลิตเครื่องมือสื่อสารต่างๆได้เช่นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือก็ล้วนใช้ กระแสะแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อไว้สำหรับถ่ายทอดข้อมูลต่างๆจากเครื่องเครื่องรับจากเครื่องส่งไปสู่เครื่องรับแต่มันเป็นสิ่งที่ละเอียดไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งๆ ท, ที่ขณะนี้ก็มีอยู่รอบตัวเรากระแสะแม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่รอบตัวเราแต่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าต้องใช้ปัญญาเป็นผู้แยกแยะศึกษาและเมื่อศึกษาแล้วก็สร้างเครื่องส่งเครื่องรับขึ้นมาเราจึงมีเครื่องส่งเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือและเมื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้แล้วเราก็สามารถรับสัมผัสได้กับกระแสของแม่เหล็กไฟฟ้า อย่างเช่นถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือถ้าเราเปิดเครื่องถ้ามีใครเขาส่งสัญญาณมาเข้าเครื่องเราเราก็จะรับได้เราก็รู้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงในอากาศในรอบตัวเราที่เข้าไปในในโทรศัพท์มือถือของเราทาให้มือโทรศัพท์มือถือของเรานั้นส่งเสียงร้องส่งเสียงสัญญาณบอกว่ามีคนต้องการที่จะติดต่อกับเรา แต่ถ้าเรามองด้วยอายตนะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเราจะไม่สามารถเห็นได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่ไม่มีเครื่องม้าเครื่องมืออันใดจะสามารถมาวัดมารับรู้ได้ก็คือจิตใจของเราจิตใจของเราก็ละเอียดยิ่งกว่ากระแสของแม่เหล็กไฟฟ้าเสียอีกเป็นสิ่งที่ วัดได้ด้วยจิตใจเท่านั้นจิตใจจะเป็นตัววัดหรือรับรู้จิตใจของเราและเครื่องมือที่จะทำให้จิตใจนี้สามารถรับรู้เรื่องราวของจิตใจของเราได้ก็คือการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิและเจริญปัญญาที่จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าถึงภาวะหรือธรรมชาติของจิตใจของเรา ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเพราะเป็นข้ออุงมแรกผู้ที่สามารถเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจของเราได้ทรงทำให้พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละส่วนกันอย่างพวกเรานี้เรายังไม่รู้จักจิตใจของเราเราคิดว่าจิตใจของเรานี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าร่างกายนี้ดับสลายไปจิตใจ ก็สลายไปด้วยคือจะเห็นว่าไม่ไม่มีการที่จะไปเกิดใหม่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเมื่อร่างกายดับสลายไปแล้วการรับรู้ต่างๆก็สูญไปด้วยเพราะเราเวลาไปงานศพเราจะเห็นเวลาคนตายเขาจะนอนยิ่งอยู่เฉยๆเราจะไปพูดอย่างไรเขาก็ไม่ได้ยินเราจะไปเอาอะไรไปจับเนื้อต้องตัวเขา เขาก็จะไม่มีปฏิเดชารับรู้เรื่องราวต่างๆที่ไปสัมผัสกับอายตนะไปสัมผัสกับร่างกายเราก็เลยคิดว่าเมื่อเป็นเช่นั้นแล้วก็ความรับรู้ก็หมดไปกับการการดับสลายของร่างกายแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดหรือที่ที่จะเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็เป็นได้ถ้ามีความเห็นผิดแบบนี้แล้ว ก็จะมีการปฏิเสธของการที่ีการมีการไปเกิดใหม่เพราะว่าไม่เห็นถึงธรรมชาติของจิตซึ่งความเป็นจริงแล้วจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้เมื่อร่างกายดับสลายจิตใจก็ไปสู่ร่างใหม่ไปหาร่างใหม่ไปเกิดใหม่สุดแท้แต่จะบุญหรือ ก, กรรมพาไป ถ้าบุญพาไปก็พาไปสู่การเกิดในภพชาติที่ดีเช่นเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพ เ, เป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายส่วนถ้าทําบาปทํากรรมไว้ก็ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ําไปเกิดในอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่เป็นวิถีทางของจิตใจ ที่หลังจากแยกออกจากร่างกายแล้วจะต้องดาเนินต่อไปแต่สำหรับคนทั่วๆไปแล้วจะไม่มีความสามารถที่จะรู้จะเข้าใจเรื่องราวของจิตใจได้เลยเพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่มีเครื่องมือที่จะทำให้เห็นให้เข้าใจถึงธรรมชาติของจิตใจเลยทาให้มเีเกิดการปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์กันนี่เป็นเพราะความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิทำให้คิดไปอย่างนั้นเมื่อคิดไปอย่างนั้นแล้วก็เลยปฏิเสธการทำบุญการการทำบุญการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องมองมงา ย, เ, ยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยจะทำสิ่งที่ตนเองต้องการจะทาสุดแท้แต่อารมณ์ที่จะพาไป วันไหนอารมณ์ดีก็จะทำดีพูดดีคิดดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็จะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายแต่โดยไม่โดยแต่โดยที่ตัวเองไม่รู้หรอกว่าการกระทำทั้งสองชนิดนี้ไม่ว่าดีหรือร้ายนั้นมีผลที่จะตามมาต่อไปเป็นการสะสมผลดีและผลชั่วที่จะตามมาเหมือนกับเรา นำเงินไปฝากไว้ในธนาคารเมื่อเราฝากไปเรื่อยๆจํานวนเงินในธนาคารก็ย่อมมีมากขึ้นไปเรื่อยๆในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารไปเรื่อยๆยอดของหนี้ก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าผลของการที่มีเงินฝากกับผลที่มีหนี้นั้นต่างกันอย่างไรคนที่มีเงินฝากในธนาคารมากย่อมมีความสุขใจ ย่อมมีความมั่นใจมีความสบายใจแต่คนที่มีหนี้มากในธนาคารย่อมมีความทุกข์ใจมีความกังวลใจมีความเดือด ร, ร้อนใจนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันกับการกระทำของเราเวลาที่เรากระทำความดีเช่นเราทําบุญให้ทานเรารักษาศีลเราปฏิบัติธรรมเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีมีความสุข ใจมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจในทางตนกันข้าถ้าเราไปทำกระทำความชั่วไปทำบาปเราก็จะมีความรู้สึกวุ่นวายใจกังวลใจเดือดร้อนใจนี่เป็นผลที่เราสามารถรับรู้ได้ในปัจจุบันในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเราจะไม่รู้ได้เลยเพราะเราไม่มีปัญญา พอที่จะไปรับรู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงใจของเราได้เราจึงต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของใจคือสามารถมองเห็นตัวจิตใจได้อย่างชัดแจ้งเห็นได้ถึงการ เห็นพฤติกรรมของจิตใจว่าเมื่อทำอะไรไปแล้วผลอันใดจะเกิดขึ้นกับจิตใจดวงนั้นและเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วจิตใจดวงนี้จะไม่สลายไปกับร่างกายอันนี้แต่จะต้องเดินทางต่อไปไปสู่พบหน้าชาติหน้าต่อไปเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสากเห็นได้ชัดอย่าง อย่างไม่มีอะไรสงสัยเคลือบแคลงอยู่ในใจท่านจึงกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วก็ทรงประกาศว่าพระพุทธองค์นี้คือพุทธะคือผู้รู้รู้อะไรก็รู้เรื่องจิตใจนี่แหละเป็นตัวสําคัญแล้วก็เรื่องอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับจิตใจเป็นเรื่องรองลงมา เมื่อรู้เรื่องจิตใจแล้วรู้ว่าจิตใจนี้เป็นต้นเหตุอันสําคัญที่จะนํามาซึ่งภพชาติต่างๆไม่ว่าจะสูงหรือจะต่าำและความสุขและและความทุกข์ที่มีอยู่ในใจพระพุทธองค์จึงทรงรู้วิธีที่จะสามารถทําให้ใจนี้ผลิตหรือสร้างแต่แต่ภพชาติที่ดีหรือสร้างแต่แตตแตความสุขได้ เพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้สามารถบังคับได้ให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปได้แต่เราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเสียก่อนเราต้องเห็นว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วนี้ร่างกายของเราสลายไปกลับคืนสู่ธาตุสี่นน้ำลมไฟแต่จิตใจของเรายังต้องไปถอและจะไปสูงไปต่ำ ก็ขึ้นอยู่กับธรรมที่เราปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมสามประการก็คือศีลสมาธิปัญญาธรรมทั้งสาประการนี้จะเป็นองค์ประกอบหรือเป็นเป็นตัวชี้ว่าเราจะไปสู่รูปไปทำถ้าเราไม่มีศรรีลเราไม่รักษาศีลห้าเลยเวลาตายไปเราต้องไปสู่อบ า, ายคือไปเกิดใน ในภกของเดราชานของของเปรยของอสุ ร, รกายและของสัตว์นระกแต่ถ้าเรารักษาศีลห้ากันเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบ า, ายแต่จะไปเกิดในสุคติได้แก่ภพของมนุษย์และสวรรค์คือที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายนี่คืออนิสง์ของการรักษาศีล น, นังที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นเมื่อที่ตอนที่ญาติโย ขอศีลกันเวลาให้ศีลเสร็จพระจะต้องแสดงอนิสงค์ของศีลให้ฟังและหนึ่งแห่งอนิสงค์ของศีล น, นั้นก็คือที่เลนะสุขติญญาติศีลเป็นเหตุที่จะนําพาไปสู่สุขติ<ม>ไปเกิดเป็นมนุษย์และเป็นเทวดา<ม>แต่ศีลอย่างเดียวจะไม่สามารถทําให้ไปเกิดในภพที่สูงกว่านั้นได้นั่นก็คือภพของ รูปประพมและอรูปประพรและพบของพระ อ, อริยเจ้าทั้งหลายถ้าจะต้องการขึ้นไปสูงกว่านั้นก็จะต้องปฏิบัติทำอีกสองขั้นคือขั้นสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติขั้นสมาธิได้สมาธิได้ฌานก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมสองชั้นด้วยกันคือชั้นรูปประพมและอรูปประพรมขึ้นอยู่กับสมาธิที่เราได้ปฏิบัติ ถ้าเราได้บรรลุถึงรูปปัจจานทั้งสี่เมื่อตายไปเราก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปปภูมิถ้าเราได้บรรลุถึงขั้นอรูปประจานทั้งทั้งสี่เราก็จะได้ไปเกินนปป ด, ดขั้นอรูปปภูมิแต่ถ้าเราปฏิบัติเพียงศีลและสมาธิเราก็จะไปได้แค่แค่ขั้นรูปอรูปปภูมิเท่านั้น และศิลป์นักพบทั้งสามนี้คือเทวดาก็ดีรูปประพมก็ดีอรูปประพรมก็ดีหรือพบของมนุษย์ก็ดีนั้นยังอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแท้คือเมื่อเราทำบุญไปเราก็เหมือนกับเราเติมน้ำมันใส่รถยนต์ของเราเมื่อรถยนต์ของเรามีน้ำมันก็สามารถเราก็สามารถขับรถยนต์ให้เราพาเราไปในที่ที่เราต้องการจะไปได้ แต่เมื่อน้ํามันหมดเราก็ต้องไม่สามารถที่จะขับรถคันนั้นต่อไปได้บุญที่เราทําเช่นการรักษาศีลกด็ดีหรือการนั่งสมาธิกด็ดีก็เป็นบุญที่มีการเสื่อมสลายมีหมดไปได้ถ้าเราไม่ทําอย่างต่อเนื่องเมื่อเราได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมและได้สวยบุญของสวรรค์ชั้นพรหมหมดไปจิตก็จะ เสื่อมลงมาลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและเมื่อบุญของสวรรค์ชั้นเทพหมดไปก็จะเสื่อมลงมาในสวรรค์ในพบของมนุษย์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับเราไปขับรถเข้าไปในสถานีที่มีสถานีบริการที่มีจําหน่ายน้ํามันพบของมนุษย์นี้เป็นเหมือนกับสถานีจําหน่ายน้ํามันเป็นที่ที่เราจะสามารถเติมบุญเติมกุศล เพื่อเราจะได้กลับขึ้นไปสู่ภพที่สูงขึ้นไปได้อีกนี่เป็นเรื่องที่จะที่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วนำธรรมที่วิเศษกว่าศีลกับสมาธิมาสั่งสอนในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสัรู้คนเราก็จะทําได้ถึงขั้นเป็นรูปอรูปกระผมท่านั้นเองแต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน พทั้งสามนี้คือในกางประพบในรูปประพบและอรูปประพบเพราะว่าสมาธินี้เป็นไม่ได้เป็นตัวที่จะไปทำลายเชื้อหรือต้นเหตุที่ทำให้ไปเกิดไปเวียนว่ายในพบต่างๆศีลกับ ส, สมาธิเป็นเพียงแต่เป็นเครื่องช่วยหนุนให้ไปเกิดให้สุกติให้ไปเกิดในพบของมนุษย์ของเทวดาของโรมทั้งหลาย แต่ไม่สามารถพาให้ไปสู่พบที่สูงกว่านั้นหรือสภาพของจิตที่เหนือกว่านั้นได้ที่เราเรียกว่าโลกุตรธรรมคือคือธรรมที่อยู่เหนือโลกอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้จะต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ที่ทรงเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติด ปราศจากตัวตนเช่นขันห้าที่เรามีอยู่กับเราก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เราถ้าเป็นปุุ้ชนธรรมดาเราจะยึดติดกับขันห้าแล้วหลงปหลงคิดว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตเนเช่นร่างกายของเราเราก็คิดว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราความคิดก็คิดว่าเป็นความคิดของเรา ความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์ก็เป็นความเป็นความรู้สึกของเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็หลงยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็เลยไม่ปล่อยไม่วางเมื่อเราตายไปจากจากร่างกายอันนี้เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่อีกเพราะความฝพันความยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเมื่อเสพยา เสร็จแล้วเมื่อเม็ดยาหมดแล้วก็เกิดความอยากที่จะเสพอีกก็ไปหายาอันใหม่มาเสพอีกอย่างนี้เป็นต้นขันห้าก็เป็นสิ่งที่จิตของพวกเราทั้งหลายยึดติดกันเพราะเราไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราได้พบ พ, พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวที่ใจของเราก็าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าเป็นรูปสิงกลิ่นรสโผฏฐพัทธทั้งหลายสิ่ ง, งต่างๆนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไปยึดไปติดและเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินน้ำฝนไฟก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติอย่าง แต่เพราะความหลงเลยทำให้เราไปยึดไปติดมีอุปทานยึดติดอยู่ในขันห้าเมื่อมีอุปทานมียึดติดแล้วก็เลยมีความทุกข์มีว้าวุ่นมีความว้วุ่นขุ่นวัวอยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องคอยรักษาในสิ่งที่เรารักษาไม่ได้ก็คือร่างกายของเราทุกคนก่อนมาอยากจะอยู่ไปตลอดไม่มีใครอยากจะตายแต่ไม่มีใครสามารถรักษาร่างกายนี้ไม่ให้ตายได้ เราก็เลยต้องมีแต่ความทุกข์ทุกทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และทุกข์ในขณะที่เราเรากำลังจะตายนะและแล้วก็เมื่อตายไปแล้วก็ทุกข์อีกเพราะยังต้องไปเกิดอีกเมื่อไปเกิดอีกก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกเป็นวัฏะวนที่เป็นไปอย่างนี้ไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด mm hmm. เพราะเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็คือเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรม ไม่มีปัญญาในระดับโลกุตระธรรมที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะธรรมทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นใจรักคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เทีย่ยมเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่มีตัวตนนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสร้แล้วนำมาสั่งสอนกับพวกเราสิ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงทรงเรียกว่าเป็นโลกุตรธรรมเป็นธรรมที่เหนือโลก เพราะถ้าผู้ใดเข้าถึงธรรมนี้ได้แล้วจะเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเบื้องต้นก็จะตัดภพชาติให้น้อยลงเช่นระดับพระอริยเจ้าขั้นแรกที่เรียกว่าโสดาบันนี้ท่านจะมีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่าขันห้านี้แหละที่พูดถึงนี่เป็นไปรลักเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อเห็นแล้วท่านก็ปล่อยวาง ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับสภาพของความเป็นจริงของร่างกายร่างกายถึงเวลาจะต้องตายก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นธรรมดาเวลาแก่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาไม่ไปเดือดร้อนกับมันยอมรับความเป็นจริงเหมือนกับเรายอมรับเวลาที่ฝนตกแดดกเราก็ไม่ไปวุ่นวายกับเวลาที่ฝนตกแดกออกเราก็ไม่เดือดร้อน แต่คนที่เขาไปวุ่นวายกับเรื่องฝนตกแดดออกเขาก็ต้องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกนี่ก็คือลักษณะของการปล่อยวางปล่อยวางได้ด้วยความเข้าใจคือปัญญาคือต้องเห็นใจรักษณ์ในขันห้านี้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารยัญญาว่าเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นแล้วก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา พระโสดาบันนี้ก็จะมีพบชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากณ แ, แต่และพณะพชาติทั้งเจดนี้ก็จะไม่ไปเกิดในอบายเลยไม่ว่าจะเป็นเดราาัจฉานเปรตอสูรกายหรือสันนรกนี่ไม่ใช่เป็นที่ที่พระโสดาบันจะไปเกิดอีกต่อไปและถ้าได้ปฏิบัติธรรมขึ้นไปอีกระดับหนึง่งคือลดละความยินดีในการกามัสุข คือพิจารณาดูร่างกายของคนเราว่าเป็นของไม่สวยงามใต้ผิวหนังยังมีสิ่งแปกๆที่เราไม่เห็นกันเองเยอะเ mm hmm. ช่นอวัยวะต่างๆซึ่งเรามักจะไม่ค่อยมองกันถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำนัดยินดีในร่างกายเราก็จะปล่อยวางกามาการอราคะคือความยินดีในการ เราจะไม่แสวงหาความสุขจากการเสกการมอีกต่อไปถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะบรรลุปเป็นธรรมขั้นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในกามาโลกอีกต่อไปเพราะพระอนาคามีนี้จิตใจของท่านได้เข้าสู่ขั้นรูปฌานกับอรูปฌานถ้าท่านตายไปและยังไม่ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ท่านก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปภพหรืออรูปภพ ความจริงเป็นสวรรค์ชั้นโคมที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นสุดทาวาสมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันและท่านก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ชั้นโคมนั้นแต่ถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่และปฏิบัติ ธ, ธรรมต่อไปคือจเจริญได้เห็นว่าไม่มีไม่มีอะไรเป็นตัวตนแม้กระทั่งจิตใจผู้ที่กําลังแสดงอยู่หรือผู้ที่กําลังรับฟังอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวตน สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นธาตรู้อย่างหนึ่งจิตใจนี้เป็นธาตรู้เพียงแต่รู้แต่เพราะความหลงเลยทำให้จิตใจคิดว่าจิตใจนี้เป็นตัวเป็นตนถ้าสามารถรู้ทันความหลงนันนี้ได้ก็เท่ากับการได้ได้ทำลายอาวิชชาความไม่รู้จริงไม่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของใจว่าเป็นอย่างไรถ้าทำได้ก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ เมื่อทำลายอาวิชชาที่มีอยู่ในใจได้แล้วก็จะไม่มีตัวที่จะไปสร้างเหตุคือความอยากให้ไปเกิดในภพชาติต่างๆภพชาติก็จะหมดสิ้นไปนี่แหละก็คือธรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงสรู้ซึ่งไม่มีใครสอนในาศาสนาอื่นๆมีอยู่ในาศาสนาเดียวเท่านั้นก็คือในพระพุทธศาสนาพระสอนในเรื่องของไตรลักษณ์อนิจจทุกขังอนัตตา ถ้าผู้ใดได้เข้าถึงไตรลักษณ์นี้แล้วและเข้าใจไตรลักษณ์ในในในสภาวะธรรมทุกสัตว์ทุกส่วนก็จะสามารถตัดการยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนได้เมื่อไม่มีตัวตนแล้วก็จะไม่มีเหตุที่จะพาให้ไปเกิดอีกต่อไปผู้นั้นก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้อย่างราบภาพได้อย่างถาวร นี่แหละก็คือผลที่เราจะสามารถประสบพบเห็นบรรลุถึงได้จากการที่เราศึกษาเล่าเรียนพังเทศพังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะทำให้เราเกิดความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะนาพาเราไปสู่การคิดการพูดการกระทำที่ถูกต้อง จะพาเราไปสู่การทำบุญให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริ